แต่ลราปริ์มาอยู่ในหนังสือสวดมนต์รายชื่อปริ์ในคำพีชั้นอัตกรทาที่ยกมาให้ดูเมื่อกี้ว่ามีหจนถึง8นั้นก็คือคำบอกเล่าเมื่อราวพุทธศักราช 1,000 พนับต่อจากนั้นมาถึงเวลานี้ผ่านมาอีกกว่า 1,500 ปีระหว่างเวลาที่ยาวนานมากนี้กว่าจะมาถึงเมืองไทยในปัจจุบันการสวดพระปริศ ก็ยอมได้วิวัตรมามากมายตั้งแต่ว่ามีปริศจำนวนมากขึ้นมีความนิยมและขนบธรรมเนียมแบบแผนประเพณีต่างๆในการปฏิบัติกับปริศเหล่านั้นพอบพูนขึ้นที่ว่านี้ก็เช่นว่ามีการนิมนต์พระไปสวดพระปริศในโอกาสต่างๆมีการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสวดว่าจะสวดเป็นพิธีมีลาดับอย่างไร ประริษไหนนิยมให้สวดในงานใดจะจัดเป็นชุดในการสวดอย่างไรชุดไหนมีประริษใดเป็นต้นเอาเป็นรวบรัดว่าในเมืองไทยมาถึงปัจจุบันนี้ได้มีการจัดประริษ์รวมชุดเป็นแบบแผนโดยเฉพาะที่ใช้กันเป็นประจำลงตัวมีสองชุดคือชุดเล็กเรียกว่าเจ็ดตำนานและชุดใหญ่เรียกว่าสิบสองตำนานชุดเล็ก คือเจตจำนานเรียกอย่างคําบาลีว่าสัตตะปริทเมื่อใช้เป็นแบบแผนเนี่ยพระราชพิธีมีชื่อเป็นคําศัพท์เฉพาะว่าจุลาราชปริทคือปริทหลวงชุดเล็กได้แก่มงคลลสูตรรัตนปริทหรือมักเรียกรัตนสูตรเมตตปริทหรือมักเรียกกรณียเมตตสูตรคันทปริทโมระปริททัชชคาปริทหรือมักเรียกทัชชคสูตรอาตานตาิยปริท และลำดับท้ายนี้อาจเข้าแทนลำดับใดลำดับหนึ่งในข้อ4ถึง7คือโพชังคาปริศซึ่งมีอังคุลิมาลปริศนำชุดใหญ่คือส2องตำนานเรียกอย่างคำบาลีว่าทวาทศปริศเมื่อใช้เป็นแบบแผนในพระราชพิธีมีชื่อเป็นคำศัพท์ว่ามหาราชปริศคือปริศหลวงชุดใหญ่ได้แก่มงคลลสูตรรัตนปริศเมตตาปริศ ทันทปริสมีสัจธันทัปริสตามโมระปริสวัตกะปริสทัชชกปริสอาตานติยปริตอังคุลิมาลปริสโพชังคะปริสอภยะปริสและชยปริส2องลำดับท้ายนี้มีขึ้นในยุคหลังขอรวบรัดอีกทีโดยขอให้สังเกตแค่2อย่างคือ 1. ที่เรียกว่าเจ็ดตนานและ12ตํานานนั้น อธิบายกันได้ว่าแต่ละปริศมีเรื่องราวที่เป็นมาอันให้เกิดมีปริศนั้นนั้นเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งบางปริศก็เป็นคำบอกเล่าเรื่องราวหนึ่งๆไปด้วยในตัวปริศหนึ่งก็จึงมีตำนานหนึ่งหรือเป็นตำนานหนึ่งแล้วจึงมีชุดที่เป็นเจ็ตำนานเป็นส2องตำนานนั้นอีกอย่างหนึ่งดังได้บอกข้างต้นแล้วว่า คำว่าปริดนี้มีคําอื่นที่มีความหมายอย่างเดียวกันว่ารักษาคุ้มครองป้องกันซึ่งบางทีมาด้วยกันเข้าชุดกันได้แก่รักขาอารขาตาณะตานาปริตาณะปริตานะตาใช้แทนกันใช้เสริมย้ํากันหรืออธิบายกันเช่นอัตตปริตตังกาตุนติอัตโนปริตตานังกาตุง ดังนั้นเจดปริศก็เรียกได้ว่าเจตานะสิบสองปริศก็เป็น12ตานะแล้วตานะแพลงเป็นตานานก็เป็น7ตํานานคือเจดปริศและ12ตํานานคือ12ปริตส2ขอให้สังเกตว่าทั้งเจํานานและ12บํานานนั้น ขึ้นต้นด้วยมงคลละสูตรเป็นข้อแรกคือมีมงคลละสูตรนำหน้าและแปลกด้วยว่ามงคลละสูตรนี้ไม่เป็นปริศไม่เรียกว่าปริศแต่เอามานำหน้าขึ้นก่อนปริศทั้งหมดทั้งชุดและทุกชุดในคำพีภาษาบาลีทั้งหลายไม่มีที่ใดเรียกว่ามงคลปริศต่างจากพระสูตรอื่นๆซึ่งเมื่อนำมาใช้เป็นปริศก็เรียกเป็นปริศ เช่นรัตนสูตรก็เรียกว่ารัตนปริศบางท่านอธิบายว่าพระสูตรใดนํามาใช้เต็มๆส่วนทั้งสูตรก็เรียกคงเดิมว่าเป็นสูตรแต่ถ้าตัดบางส่วนมาใช้ก็เรียกส่วนที่นํามาใช้นั้นว่าเป็นปริศตามชื่อของพระสูตรนั้นแต่นี้ก็ต้องยกเว้นมงค ล, ลสูตรคือมงคลลสูตรนี้ไม่ว่าจะเอามาแค่ไหนเช่นตัดส่วนเริ่มต้นออก นำมาเฉพาะส่วนที่เป็นคาถาหรือแม้แต่ตัดคาถาแรกออกไปแล้วนำมาแค่ไหนก็เรียกว่ามงคลละสูตรไม่เป็นอื่นเรื่องนี้อย่างที่ว่าแล้วในคำภีภาษาบาลีตั้งแต่เดิมเมื่อแสดงชื่อปริ์ไม่มีมงคลปริ์ในที่ไหนไหนและท่านก็ไม่ได้พูดออกชื่อมงค ล, ลสูตรในที่ที่พูดเรื่องปริส แต่ก็มีเขาจัด ก, การที่ท่านพูดเรื่องการสวดพระประริ์นั่นแหละที่ทำให้เห็นการนำมงคลสูตรเข้ามาในอัธกถาที่อธิบายอาตานาติยะสูตรตอนหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องที่ชาวบ้านนิมนพระไปสวดอาตานาติยะสูตรเป็นประริษซึ่งทำเป็นพิธีใหญ่ท่านว่าไม่ควรสวดอาตานาติยะสูตรนั้นเป็นบทต้นแต่ให้สวดเมตสูตรทัชคสูตร แล้วรัตนสูตรก่อนพระผู้สวดปริตรพึงตั้งเมตตาจิตนำหน้าเป็นปุเรจาริกเมื่อเป็นการใหญ่พระสงฆ์ประชุมกันกล่าวมงคลคาถาแล้วจึงสวดปริตตามเรื่องที่เป็นเขานี้อาจเป็นว่าการกล่าวมงคลคาถาหรือมงคลคาถานั้นจะได้ปฏิบัติกันมาและถือเป็นสําคัญและเมื่อนึกถึงมงคลคาถาหรือมงคลคาถา ก็เป็นธรรมดาที่มงคลละสูตรย่อมจะเด่นขึ้นมานำหน้าทั้งหมดและก็กลายเป็นว่าการสวดพระปริษ์เริ่มต้นด้วยสวดมงคลละสูตรนำหน้าและมงคลละสูตรก็มาเป็นบทนำของการสวดพระปริต์เรื่องนี้มีสาระสำคัญที่ควรสนใจในเชิงปฏิบัติซึ่งจะพูดถึงอีกข้างหน้า เป็นอันว่าการสวดพระประิษได้เป็นหลักยืนหรือเป็นแกนของบุญกิริยาที่เรียกว่าการสวดมนต์เมื่อมีงานบุญมีงานมงคลที่ไหนเมื่อไรพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์ไปก็สวดพระปริษเหล่านี้เป็นอย่างเดียวกันทั่วไปหมดแต่อีกด้านหนึ่งแต่ไหนแต่ไรมาสืบแต่พุทธการชาวพุทธโดยเฉพาะพระสงฆ์ก็ได้ท่องได้จาได้ทวนได้ทาน ได้สะทยายคำสอนและคำอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเรื่อยมาทั้งในการศึกษาเล่าเรียนของตนของตนและสะทยายท่องทวนเพื่อรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นและมีการท่องการสาทยายอย่างเป็นทํานองซึ่งก็เรียกว่าเป็นการสวดแม้ว่าการท่องทวนสาทยายเพื่อรักษาพุทธพจน์จะลดถอยเพราะถือกันว่าเวลานี้มีพระตปิดก และคำพีอื่นทั้งหลายจารึกเป็นตัวพิมพ์อยู่ในหนังสือเป็นต้นแล้วแต่ผู้ที่มีชันทะในการท่องทวนสัทยายาทรงจำพุทธพท์ไว้ก็ยังมีอยู่บ้างโดยเฉพาะในวัดทั้งหลายก็ยังถือประเพณีที่พระสงฆ์ประชุมกันประจำวันเวลาพร้อมกันทำวัดสวดคำบูชาคุณพระรัตนไตรและสัทยายพุทธพท์ทากันมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ยังมีอยู่ทั่วไป แล้วในบรรยากาศอย่างนี้ก็มีการเลือกนำเอาพระสูตรที่ถือว่าสำคัญสาคัญมาจัดเข้าลำดับในการสวดสาทยายเป็นประจำตั้งแต่ธรรมจักกับประวัตนสูตรกระทั่งถึงมหาสติปทานาสูตรในการนี้ท่านก็คิดย่งไปถึงงานพิธีงานมงคลงานอาวัมมงคลต่างๆเมื่อมองเห็นว่าพระสูตรไหนบทธรรมไหน หมาะที่จะสวดในงานไหนในพิธีใดก็ตกลงกันจัดเข้าไปเป็นส่วนหลักบ้างเป็นส่วนเสริมบ้างในระบบแบบแผนของการสวดในงานพิธีนั้นๆแต่ส่วนที่จัดเพิ่มขึ้นมานี้ไม่เรียกว่าเป็นปริศเพราะมิใช่เป็นคําสวดเพื่อปกป้องรักษาคุ้มครองป้องกันอย่างในชุดที่จัดไว้แต่เดิมนั้นก็จึงถือได้ว่าเป็นส่วนที่เสริมมงคลอย่างมงคลละสูตรที่กล่าวแล้วข้างต้น หรือเป็นส่วนแห่งการเพิ่มพูนบุญกิริยาที่นี้บทสวดมากมายคำศัพท์ยายทั้งหลายที่ได้พูดถึงทั้งหมดนี้เมื่อนำมาไว้ด้วยกันหรือเรียกรวมทีเดียวทั้งหมดจะใช้คำเรียกเป็นอย่างเดียวกันว่าอย่างไรคราวนี้จะเรียกว่าปริศก็ไม่ครอบคลุมแล้วในสมัยไม่นานมานี้มีการพิมพ์รวมเป็นส่วนๆเช่นเล่มนี้เป็นเจ็ดตนาน นั้นเป็นสิบสองตำนานจะใช้คําเรียกรวมว่าอย่างไรดีเราก็ปรากฏว่าได้ใช้คําว่าสวดมนต์เชนะ่นว่าเป็นบทสวดมตนต์หนังสือสวดมนต์อย่างที่ได้รู้เห็นกันอยู่นี้เมื่อตกลงกันในการใช้ถ้อยคําอย่างนี้แล้วก็พึงนึกถึงกล่าวถึงพึงใช้คําว่ามนต์<า> <knowledge> นั้นด้วยความรู้เข้าใจเท่าทันเรื่องราวความเป็นมาและความหมายของคํา ดัทงที่ได้บอกเล่ามาแล้วอย่างน้อยก็ให้นึกถึงว่าเป็นพุทธมนต์อย่างที่ได้ยกมาให้ดูครั้งต้นนั้น